เพิ่งพากันตั้งใจให้ดีส่วนมากกรมาแกนั่งไม่ทนดูๆแล้วนะนู่อหนึ่งลุกไปแล้วฝึกตนให้มันอันนี้บ้างสิอย่าให้มันเหลแหละเกินไปต้องอดต้องทน ไม่เช่นนั้นแล้วจิตใจก็สงบไม่ได้อะไรจากกุฏิมาศาลานี่หนอเดี๋ยวนึงปวดปัสสาวะแล้วหรืออันนี้ก่อนที่จะขึ้นศาลาก็ต้องนึกสักก่อนนะต้องทำละอะไรต่ออะไรมันเรียบร้อยอย่างนั้นแล้วก็จึงค่อยขึ้นมา มาแล้วก็ทำให้มันเป็นหลักเป็นกระบวนการทำให้มันสมกว่าสมาธิแปลว่าใจตั้งมัน่นถ้าใจตั้งมั่นแล้วมันก็ระงับเวทนาต่างๆได้เป็นอย่างนั้น ถ้าใจไม่ตั้งแล้วมันก็วันไหวไปตามเวทนาจิตก็สงบลงไม่ได้หน่อยก็ลุกไปโน่นเดี๋ยวก็ลุกไปนี่เมื่อไรนะ่ะจิตมันจะสงบลงได้แบบนั้นไม่ได้เลยขานาดนั่ง ชั่วสามสิบนาทีจิตมันยังไม่สงบก็มีนี่เพราะนั้นเราต้องมุ่งจิตสงบเป็นที่ตั้งการภาวนาเอาถ้ามันนั่งขัดสมาธิมันทนไม่ไหวจริงจริงก่อนนั่งพระเพียบลงไปแต่ว่าอย่าลุกไปที่อื่น นี่วิธีที่ใจมันจะสงบลงไปได้นะมันต้องรู้จักเปลี่ยนอิริยาบถให้มันเหมาะสมกันถ้าพอนั่งหน่อยหนึ่งแล้วมันปวดขาหรืออะไรนิดหน่อยลุกไปเสียอย่างเงี้ยแล้วแล้วใจสงบไม่ได้เลย เห็นนั้นต้องอดต้องทนไปจนมันเหลือวิสัยจริงจริงมันทนไม่ไหวจริงกับเอาพล็กนั่งพักเทียบลงไปมันก็หายหรอกการเจ็บปวดนะั่นนะถ้าเราคิดเสียแต่ว่ามีสติประคองจิตไว้อยู่ถึงจะเคลื่อนไหวร่างกายถ้ามีสติประคองจิตอยู่ จิตมันก็ไม่พลิกแพงไปทางอืนอ่นป็ออย่างนั้นเมื่ออย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดสรู้เลยเหตุที่พงษ์จะได้ตัดสรู้ก็เพราะว่าพงษ์อธิษฐานนั่งอยู่ในที่เดียวนั้นจนจนสว่าง ในคืนเดือนหกเพ็นนั่นนะอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นเด็ดขาดเลยเนื้อหนังมางสา จ, จะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่กระดูกก็ตามเนื้อพระองค์อธิษฐานอย่างนั้นแล้ว ก็ทำความเพียรเพ่งพินิษ์อยู่ภายในไม่ส่งใจออกไปข้างนอกในเรื่องสมาธินะพระองค์ได้บำเพ็ญมาโดยตลอดแล้วจึงไม่ยากอะไรมันยากอยู่การเจริญปัญญาญาณ น, นั่ น, นแหละนั้นพอพระองค์ ทำจิตให้สงบเป็นฌานลงไปได้บรรลุถึงอรูปฌานถอยจากอรูปฌานก็มาอยู่ที่เจตุสฌานเจตุสฌานนั่นแหละเป็นบาทของวิปัสสนาวะนี่นระองค์จิงทรงระลึกชาติ์นนหลัง ได้ในปฐมมยามในค่ำคืนราตรีวันนั้นและนึกถอยหลังคืนไปว่าการที่มาเกิดเป็นพระสิทธะราชกุมารเนมาจากไหนก็ทรงรู้แจ้งออกมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนที่จะมาเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตมาจากไหน มาจากพระเวสสันดรตอนนั้นพระองค์เป็นพระเวสสันดรให้ทานของรักของชอบใจห้าอย่างจนแผ่นดินไหวพระบารมีก็ามาเต็มบริบูรณ์ตอนนั้นแหละบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ้าหากว่าไม่ได้ให้ทานลูกให้ทานเมียให้ทานช้างให้ทานมา้า ให้ทานราชรถอันเป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์นั่นตราบใดแล้วก็บา ร, รมียังจะไม่เต็มยังไม่ได้ตัดสรู้ต่อเมื่อพระโพธิสัตว์พระองค์ใดได้ให้ทานของรักของชอบใจห้าอย่างนี้ไปแล้วนั่นแสดงว่าบา ร, รมีเต็มแล้ว ไม่ได้สร้างต่อไปอีกแล้ววันนี้ น, ะนั่นน่ะดังนั้นเมื่อพระ อ, องค์หมดพระชนมายุสังขารแล้วก็จึงไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตถึงการเวลามาแล้วเทวดาก็พญาอินก็ไปอาราธนาให้จุติลงมาเกิดในเมืองกบินละพัทในตระกูลกษัตริย์ มีตารงพนามว่าพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชมารดาทรงพนามว่าพนังสิริมห า, มายามันพวกนักธรรมมันต้องท่องต้องจำให้ได้เพราะองค์อยู่ในพระคัน ถึงสิบเดือนจึงได้ประสูตออกมาคนธรรมดามีแค่เก้าเดือนส่วนพระโพธิสัตว์นั้นสิบเดือนเดียวว่าอะไรอะไรมีพิเศษกว่าคนธรรมดาสามัญอันผู้ที่จะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้เป็นอย่างนั้นพระว่าครับ ถ้าไม่ใช่นั้นแล้วคนก็ไม่เคารพนับถือผู้มีเกยียรติมียศเช่นพระราชามหมากระสัเศรษฐีมาเศรษฐีพวกเนี้ยก็จะไม่เคารพนับถือถือว่าไม่มีคุณสมบัติยิ่งกว่าต้นทีนี้เมื่อพระองค์เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติสมัยนั้น คนเขายกย่องพระมหากษัตริย์ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการบริหารปกครองประเทศชาติบ้านเมืองในทางศาสนาเขายกย่องว่าพครามเป็นผู้ชำนาญในการทำพิธีทางศาสนาในสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์มันจึงรุ่งเรือง แต่รู้เหมือนพระมหากษัตริย์ข้างนั้นไม่ได้นับถือศาสนาพราหมณ์ไ้นับถือพระฤาษีที่มีนามว่ากบินละดาบทนั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ให้ศีลให้พร <c oughs> พระองค์พทธเจ้าทุกพระองค์ <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละ ต้องสร้างบา ร, รมีมาพอมันเต็ ม, มเข้าไปแล้วก็ต้องเลยให้ทานของรักของชอบใจห้าอย่างอย่างดังกล่าวมานั่นแล้วเมื่อพระองค์มาเกิดเป็นพระศิธฐ์สัทธารรชกุมาร น, นี่ก็เรียกว่าพระบา ร, รมีเต็มแล้วไม่ได้สร้างอะไรมาสวยราชสมบัติปกครองประชาชนอยู่อย่างนั้นเนี่ย แล้วเมื่อบุญบา ร, รมีมาถึงเขาแล้วก็จึงโดนบรรดานใน้พะองค์สล์ราชสมบัติออกไปบวชพระพุทธเจ้าทุกพระ อ, องค์หรือพระโพธิสัตว์ทุกพระ อ, องค์ก่อนที่จะได้ตัดสรู้สามมาสัมโพ ธ, ธิญาณก็ต้องพิจารณาเห็น คนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณเพศหรือว่าเห็นบรประชิตนี่จึงมาเกิดสังเวทพาาระหฤทยัยขึ้นว่าคนเรานี่เกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายชีวิตนี่เป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอน แต่มันไม่ใช่แก่เจ็บตายธรรมดาเป็นทุกข์ด้วยท น, นยากทนลำบากถึงมีสุขก็สุขชั่วคราวทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขในชีวิตนี้พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้เนี่ยจึงได้เบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติเพราะมันเป็นเครื่องผูกมัดให้ จมอยู่ในห่วงเห่งของทุกเหล่านี้ดังนั้นเน่พระองค์จึงพยายามสละราชสมบัติหนีออกไปบวชก็ไปเห็นเพศบรรพชิตเข้าแล้วนี้ก็ทรงลำพึงว่าเพศบรรพชิตนี่เป็นเพศอันสงบระงับผู้แสวงหาทางพระนิพพานจะต้องถือเพศอย่างนี้มันถึงจะพบ ถึงจะได้บรรลุสัมมาสัมโพธียานจิตจิตพระไัยของพระองค์น้อมไปทางการบวชนั้นมากทีเดียว น, นี่น้อมไปทางพระ น, นิพพานเพราะมองเห็นโลกสงสารอ น, นิจจมไปด้วยทุกข์ภัยพิบัติอันตรายต่างๆดังนั้นทั้งที่ พนางยาโสธราหรือพิมพาก็ประตุพระราชะโอรสในวันนั้นเองเพราะองค์ก็ยังไม่เยื่อใยยังสละหนีออกไปบวชได้นั่นเรียกว่าบุญบรารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้วมันอิ่มหมดแล้วความสุขในโลกความสุขในกามทั้งหลาย เห็นว่ามีทุกข์มากกว่าสุขจึงได้อิ่มในไม่ปรารถนามันอีกแล้วดังนั้นพระองค์จึงสะละราชสมบัติอันมโหฬารอันนั้นออกไปบวชได้ถ้าไม่เห็นทุกข์เข็นภัยในสงสารไม่เห็นโทษแห่งกรรมมคุณอย่างว่านั่นเนี่ยพระองค์จะสละไม่ได้เลยนี่ให้ถือเอา เนื้อความอย่างนี้มาเตือนใจของเราผู้เป็นนักบวชถ้าเราไม่เดินตามรอยของพศศระตาเราก็เดินไปไม่ตลอดการบรรพชาอุศสมบทเนื้อการเป็นนักบวชอื่นๆก็เหมือนกัน บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นศาสดาเอกในโลกท่านก็มามองเห็นความทุกข์ในชีวิตนี่แหละก่อนอื่นเลยโดนบรรดานให้เสวงหาทางพระนิพพานเพราะว่าทรงมองเห็นแล้วว่าพระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นไม่ไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปท่านผู้ใดบรรลุถึงพระนิพพานแล้ว ก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่ต้องมาแบกภา ร, ระขันห้านี่อีกต่อไปเพราะองค์ทรงรู้อย่างนี้ดังนั้นก็จึงได้เสด็จหนีออกบวช<ม>ให้พากันเข้าใจแม้เราเป็นสาวกของพระองค์<ม>ก็ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นแหละจึงชื่อว่าเดินตามรอยของพระสาทดา ถ้าไม่เห็นความทุกข์ในชีวิตนี่แล้วจิตใจมันก็โน้มไปในทางกรมมาสุขสมบัติเห็นสมบัติในโลกนี่ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้แก่ตนแล้ววันนี้นะอา้าวมีรถยนต์คัน ง, งามๆขี่ก็ว่ามีความสุขออืืมเ่จะไปทางไหนให้เร็วทันใจวัดเด้น มีเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินขึ้นนั่งเครื่องบินไปไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงที่หมายแล้วอันนี้เนะี่ยมันเป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุกขความสุขชั่วคราวเหล่านี้นะถ้าบุคคลใดไม่รู้เท่าแล้วก็ติดจริงๆรอะนะ ดังนั้นเราต้องรู้เท่าผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะมันต้องรู้เท่าความสุขชั่วคราวต้องพิจารณาให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นความสุขชั่วคราวว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นเหยื่อรอให้ติดอยู่ในทุกข์ ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นก็เป็นความจริงนี่ไม่ใช่เป็นเท็จแ่ะนูที่ผู้ครองเรือนทั้งหลายทีแรกมันก็ยินดีในรูปสวยๆงามๆเนี่ยเสียงไพเราะกลิ่นหอมหวนรสอร่อยสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มเมื่อมันยินดีพอใจในการมาคุณนั้นแล้วมันก็ สเสวงหาเมื่อมันได้มาแล้วมันก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนทำการทำงานหาเงินหาทองข้าวของอะไรต่ออะไรทรพทั์อันเป็นอุปกรณ์แก่การคองเรือนนี่ก็เลยเป็นภาระอันหนักจะไปไหนก็ไปไม่ได้ ไปแล้วก็ต้องอกกลับมาหาเรือนหาบ้านนั้นของเก่ามารับความยุ่งยากลำบากอยู่ในครัวเรือนอันนี้พูดความจริงนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อมันตกกระไดพลอยโจรแล้วทำยังไง มันก็อดกันทนทานไปอย่างนั้นแหละทำหน้าเซ่อทำเป็นเหมือนกับว่าไม่มีทุกข์อะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยภายในจิตใจมันตรมตรอมเต็มทีอืเพราะอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ขาดเพราะว่าความสุขในโลกมันอย่างว่านันแหละมันชั่วคราว <c oughs> เหมือนอย่างรับประทานอาหารพออิ่มเข้าไปแล้วก็มีความสุขชั่วระยะหนึ่งพอไฟทานมันย่อยอาหารหมดไปแล้วมันเกิดหิวขึ้นมาอีกอต้องหากินใหม่เนี่ยถ้าบุคคลไม่มีหลักฐานอมไม่มีนาไม่มีบ้านไม่มีการค้าขายไม่มีเงินเป็นก้อนอย่างนี้ จะไปซื้อหาอาหารมาบริโภคก็ไม่มีมีก่อนน้อยในรับประทานแต่อาหารอันเร็วๆอาหารดีๆราคาแพงไม่ได้ทานกับเขาเพราะตัวมีเงินน้อยก็มาน้อยเนื้อตาใจสารพัดแหละสิ่งที่มันให้เกิดความหนักใจยุ่งใจในโลก ถ้าจะพาว น, นาไปแล้วมันมากมายเหลือเกินอย่างนี้ผู้ภาวนาแล้วพิจารณาเองเนี่ยไอ้ความทุกขในการอยู่ครองเรือนมันเป็นอย่างไรถ้าผู้ที่อยู่ครองเรือนแล้วหากได้นั่งสมาธิภาวนาไอ้พิจารณาเห็นความทุกข์ในชีวิตของการคลองเรือน แล้วเช่นนี้มันก็ต้องพยายามหาทางหาทางให้มันพ้นไปจากการคลองเรือนอทำยังไงต้องสละบ้านเรือนหนีไปบวชเลร อ, อันนั้นแน่นอนสำหรับผู้เบื่อเข้ามากๆเข้าไปจริงๆถึงจะมีครอบครัวแล้วก็สละไปบวชได้อยู่แต่ว่ามีน้อยเต็มที่ ถ้าพธิบวชไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาสินอุโบสถในวันแปดค่ำสิบห้าค่าเดือนดับเดือนเพลงเดือนหนึ่งมันสี่อุโบสถนี่การรักษาอุโบสถสินเนี่ยมันเป็นอุบายถอนทนออกจากกรามคุณถ้าใครไม่คิดที่จะรักษาอุโบสถสินแล้ว ผูนั้นก็หมกมุ่นอยู่ในกามคุณไปจนเฒ่าจนแก่จนละโลกนี้ไปนั่นแหละละโลกนี้ไปจิตใจมันก็ผูกพันอยู่ในกามคุณไปเกิดเป็นอะไรมันก็ผูกพันอยู่ในกามนั่นแหละออพอใจอยู่ในกามนูมันจะเว้นเสียจะไปตกนรกนั่นแหละตกนรกน่ะมันจะไปยินดีอะไรได้อยู่นั่นมีแต่ทุกข์ ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนี้มันก็ยังยินดีอยู่ในกามคุณอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาไม่ว่าเครือขัดไม่มากไม่ว่านักบวชถ้าหวังความก้าวหน้าหวังความหลุดพ้นจากทุกข์โดยเร็ว เช่นนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักบวชก็ต้องสำรวมในศีลสำรวมในอินทรีย์ให้เข้มงวดกวดขันให้แน่วแน่อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอันนี้เดินทางไกล ก็ต้องให้มีเพื่อนโมราณท่านว่าไว้มันถูกต้องนะคนเราถ้าไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันคิดไปทั่วจิตมันเคยผูกพันกับสิ่งใดมันก็มั ก, มกจะโน้มไปในทางนั้นเช่นอย่างคนหนุ่มแน่นเนี่ยแน่นอนแหละจิตใจผูกพันอยู่ในกรรมมุณคันพอไปอยู่คนเดียวเงี่เงี่ยล้วกะ ใจมันก็สักจะวิตกไปในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละอย่นี้มันก็เป็นภัยต่อพระบัญรัติในบ่อนี้นะดังนั้นต้องระมัดระวังนะต้องเจริญสติปัฏฐานเสมอไปมีสติระลึกเข้ามาในกายนี้อย่าระลึกส่งออกไปหารูปเสียงภายนอกนูน่นมาดูกายนี้เต็มไปด้วย ของไม่สะอาดมีประการต่างๆในาการสามที่สองมีมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่สะอาด <c oughs> <c oughs> เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสกโปกเพราะอาหารที่ไปดอเลี้ยงร่างกายอันนี้มันก็โสกโปกอยู่แล้วนี้แต่ว่าร่างกายนี้มันเป็นอยู่ ไปได้กับของสกรปรกเช่นนี้แล้วจะเอาของสะอาดของแห้งแห้งอะไรของแข็งแข็งอะไรมาบำรุงมาเนี่ยมันเป็นอยู่ไม่ได้เลยมันย่อยไม่ได้อ่มันเป็นยังไต้องเอาของอ่อนนุ่มนิ่มอาหารนั่นรับประทานเข้าไปไฟธาตุมันจึงย่อยได้ไฟธาตุย่อยเป็นน้ําละเอียดแล้วก็ซึม ทราบไปตามร่างกายนี่นะตามเนื้อหนังมังส า, างต่างๆมานี่อาหารที่ไฟทราบมันย่อยนี่แหละมันซึมทาบไปหล่อเลี้ยงไว้ร่างกายจึงไม่สูบผอมลง <c oughs> อันนี้นะ <c oughs> <c oughs> ลองพิจารณาให้มัน เห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตอันนี้การแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของง่ายแสนทุกแสนยากแสนลำบาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็จะประมาทกันให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ควรที่จะไปหมกมุ่นกู่ครองเรือนก็ดีหมกมุ่นเอาจนว่ามองเห็นกามกคุณเป็นของประเสริฐสำหรับชีวิตของตนอย่างนี้นะมันไม่สมควรเลยมันจะประเสริฐอะไรเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยภัยอันตรายเหนียวก็ได้ยินข่าวแล้วคนน้่นถูกฆ่าตาย เสียนั้นถูกฆ่าตายเนี่ยมีสมบัติหลายๆมาก็มีแต่พูดจะไปแย่งสิงเอาหมูเนี่ยเราต้องคิดดูให้ดีอยากมีเงินหลายๆเพราะวะ่าอันเมื่อได้เงินมาหลายๆแล้วมีแต่ศัตรูวะนี้นะอา้าวมีคนมาขอกู้ขอยืมไปแล้วไม่ใช่ดีไม่ดีเขาส่องสมกำลังมาจู่โจมเอาจี้ปล้นเอา ดีไม่ดีเจ้าของไปขัดขืนต่อสู้อ่าก็ถูกฆ่าตายลองคิดดูว่าสมบัติในโลกนี่น่ะมั น, ะมนอำนวยความสุขให้โดยส่วนเดียวหรือไม่แท้ที่จริงแล้วมันอำนวยความสะขให้เพียงนิดหน่อยมันอำนวยความทุดวกให้นั่นแหละมากต่อมากไม่มีก็เป็นทุกมีมากก็เป็นทุก และอย่างนี้นะยังจะมาทื่นสมยินดีจนว่าถอนตัวไม่ออกเสเลยอย่างนั้นนะสมควรแล้วหรือสำหรับชาวพุทธทั้งหลายนะอันเป็นคระเงหารู้ตัวอย่างนี้แล้วก็อย่างว่านะถอนทนออกไปเดือนหนึ่งสี่ครั้งไปพักผ่อนอยู่ในวัดวาอารามสมทานศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่ง อย่างนี้ <c oughs> สำหรับคนแก่คนเรียกว่ากเกษียณอายุตัวเองจากการจากงานแล้วมอบหมายการงานให้ลูกให้เต้าเขาทำกันถ้าไปอะไรอย่างนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เท่าแก่ชราสุขภาพก็ยังดีอยู่พอสมควรอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปติดอยู่ในบ้านในเรือนนั้นตลอดไป ถ้าว่าไปติดอยู่เนียมันก็เอาแล้วไปห่วงหลานบ้นีุ่เลี้ยงลูกใหญ่มาแล้ว่านมีหลานมาพอดไปรักหลานห่วงหลานบ้านี่จะนี้ไปวัดวาจำศีนอุโบสถชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งก็ไม่ไหวคิดถึงหลานหลายภาวนาไม่ลง ออย่างนี้นะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตนที่ไหนแล้วรักคนอื่นยิ่งกวัวตัวเนี่ยมันเป็นความไม่ฉลาดเอาซะจริงจริงคนเรานะ่ะดังนั้นควรจะรักตนนะรักตนมันต้องถอนตนออกจากความรักความใครความผูกพันต่อโลกสันิวัตอันนี้อย่างนั้นจึงเรียกว่ารักตน ถ้าไม่ถึงบริพันธ์นะโลคอื่นที่มีความสุขยิ่งกว่านี้มีอยู่ไม่ต้องห่วงก็ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเราจะมาห่วงชีวิตนี้อะไรนักหนาไหนไหนก็มันแน่นอนนะทุกคนนะไม่ทันถึงอายุไขหรอกมันตายก่อนเลยคนส่วนมากนะ อายุไขทุกวันเนี่ยเจ็ดสบห้าปีเท่านั้นเองแล้วส่วนมากไม่ถึงเจ็ดสิบห้าปีห้าสิบปีหกสิบปีไปแล้วส่วนหลายนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะการปฏิวัติธรรมในพุทธศาสนานี่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจึงว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรา ภาวนาให้กำหนดจิตเพ่งจิตให้สงบก็เพื่อจะดูความทุกข์ในชีวิตนี้แล้วจะได้เกิดนิพพาความเบื่อหน่า <c> ย <oughs> อันนีนะ้จะเป็นทางพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะมาภาวนาเห็นชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเต็มไปด้วยทุกข์ เต็มไปด้วยสิ่งที่บังคับไม่ได้บอกไม่ได้ทั้งนั้นเลยล้วนแต่ไม่เป็นไปตามใจหวังอัตภาพร่างกายอันนี้ก็ดีสมบัติอันเป็นเครื่องบำรุงร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันเช่นเงินทองเป็นต้นเหล่านี้ไม่ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนได้มาแล้วก็ใช้ไปจ่ายไปก็หมดไป อ, อยู่ไปปีเดือนวันคืนร่วงไปไม่ ใ, ใช่ร่วงไปแต่วันคืนปีเดือนร่างกายสังขารทุกส่วนวนี้ก็สุดทรมไปตามกันความตายก็ใกล้เข้ามาทุกทีในอย่างนี้นะควรลำพึงเช่นนี้ดีกว่าที่จะไปทรงใจไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินทองเอาของนั่นแหละ <c oughs> อันนั้นมันเป็นเครื่องผูกมัดตึดตงจิตใจให้ทนทุกทรมานอยู่ในโลกนี้ความห่วงเช่นนั้นอะใ้การมาพิจารณาเห็นชีวิตเห็นร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเมื่อเบื่อหน่ายทำยังไงบางคนก็เบื่อหน่ายก็ไปกินยาตาย ยิงตัวตายอันนั้นไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเมื่อเบื่อหายในชีวิตนี้่าเต็มไปด้วยทุกข์เราก็หันหน้าเข้าสู่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นอุบายคลายทุกข์ทางจิตใจของคนเราได้จริงๆเลย ก็อย่างไตรลักษณญาณดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนะถ้าใครภาวนาเห็นร่างกายสังขารนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนนีเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้นะออจิตมันก็คลายความยึดความถือออกไปก็เมื่อมันไม่ใช่ของเราเราจะมาเป็นทุกข์กับมันอยู่ทำไมมาเศร้าโศกเสียใจกับมันทาไม นี่ผู้มีปัญญามันก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นี่แหละที่ว่าพระธรรมคำสอนน่ะมันเป็นอุบายคลายทุกข์ออกจา ก, ก จ, จิตใจได้เลยมันก็เป็นอย่างนี้คำสอนที่แท้จริงนะ่ะมันต้องพิจารณาลงถึงความจริงอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ทรงพราประสงค์ให้ผู้นับถือ คำสอนหรือว่าศาสนาของพระ อ, องค์ให้ได้พิจารณาลงให้ถึงความจริงของชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าพระ อ, องค์ให้สอนให้ยินดีอยู่แค่กินกินทานทานกราบไหว้ตามโมเพณีไปอย่างนั้นเฉยๆไม่ใช่ไอ้เท่านั้นนะมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะต้องพิจารณาดูสิอุบายธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมานี่นะมันเป็นอุบายคลายทุกข์ทางใจได้จริงหรือไม่นั่นมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามจะพึงรู้เองเห็นเองขึ้นด้วยตนเอง ไม่เช่นั้นแล้วการนับถือพระพุทธศาสนานี่ก็จะไม่จริงจังเลยไม่มั่นคงเลยผู้นับถือนั้นนะนับถือไปพอเป็นพิธีขอให้โลกหรือว่าคนในชาติไม่ตำหนิตีเทียนว่า ตนเกิดมาเป็นคนไทยบันพบุรุษนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาหลายชั่วคนไอเราเกิดมาในภายหลังลจะทิ้งพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจําชาติเสียอย่างนี้มันไม่สมควรคิดอย่างนีนะ้ก่อนนับถือไปตามประเพณีอย่างที่ว่านั่นการนับถือเช่นนั้น่ะมันได้ผลนิดห น, น, น่อยเท่านั้น อันมันจะคลายทุกข์ทางใจออกไปจริงจังไม่มีดังนั้นไอเรามาปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างนี้แล้วเราศึกษาได้รู้ความเป็นมาของพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์จะพ้นทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรเช่นนี้เราก็ สันนิฐานดูนะพิจารณาดูนะตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่น่นเนี่ยพระองค์ก็ให้ทานพระองค์ก็รักษาศีลรักษาศีลหนา้าแล้วก็รักษาศีลอุโสบสถของการรักษาศีลอุโบสถเป็นการบำเพ็ญเนกกรรมบารมี น, น, น, น <c oughs> มี่เป็นอ่งั้นไม่ใช่เป็นอบำเพ็ญเนกกรรม เด็กขมมะบา ร, รมีไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์แม้ผู้ไม่ได้ปาตตนาเป็นพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญเด็กขมมะบา ร, รมีเหมือนกันเดี๋ยวต้องหาอุทางให้ห่างออกจากกามไปถ้ามันห่างไม่ได้เด็ดขาดก็ห่างไปได้ชั่วคราวก็ดีเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปอย่างนี้นะนั่นนพระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมาเ้่ากับทำอย่างว่านี้แหละ ท่านตั้งอยู่ในความอดความทนอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นไม่นิ้งนอนใจ<ม>เช่นอย่างในํำราท่านกล่าวไว้ตอนเป็นพระโพธิสัตว์พอเจริญไว้มาสมควรแล้วพระราชวิดาก็ให้เงินในท้องเอาส่งไปเรียนศิลปะวิทยาความรู้ <c oughs> ส่วนมากก็เป็นเมืองตะกะศีลานี่แหละ <c oughs> ท่านกล่าวไว้ในตำรานะ <c oughs> เมืองตะกะศีลานี่เป็นเมืองนักประหลาดอาจารย์ <c oughs> เป็นเมืองที่รวบรวมไว้ซึ่งศิลปะวิทยาการต่างๆ <c oughs> และว่าเป็นตลาดของวิชา ในโลกีพูดว่ า, า ง, ง่ายๆอย่างนั้นก็แล้วกันนะ่ะอในทางธรรมว่านี่พระโพธิสัตว์ชาติใดเมื่อไปได้เกิดพบพระพุทธเจ้าก็พบพระปฏิเจกพุทธเจ้าอก็ทําบุญกับพระปฏิเจกพุทธเจ้านั้นอย่างนี้เนี่ยพบพระฤาษี กับควาเพนทานการกุศลฟังโอวาทของพระฤาษีแล้วพโพธิสัตว์นี่ส่วนมากก็ระลึกชาติหนนหลังได้ดัง น, นั้นพระ อ, องค์ก็รู้ตัวว่าตนได้ปาณาจนาเป็นพระพเจ้ามาได้สร้างบารมีสิบประการมารู้รู้ทางนั้นแหละอืดังนั้นนะพระ อ, องค์จึงสร้างบารมีสืบต่อ แต่คนธรรมดาสามัญนันเลึกชาติหผนหลังไม่ค่อยได้เลยไม่นึกว่าตนได้สร้างบารมีมาแต่ก่อนอย่างไรบ้างแต่ว่าเมื่อผู้มีปัญญาแล้วก็มาสันนิษฐานเอาจิตใจของตนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยตนมีความเชื่อในบุญในบาปในคุณในโทษ เชื่อต่อพระพุทธธรรมระสงค์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ยได้จริงไอ้จิตใจมันเชื่ออย่างนี้แสดงว่าในอดีตชาติโน้นหลังมันก็เคยเชื่อมาเคยนับถือมานี่ต้องให้สันนิฐานเอาอย่างนี้ผู้ดใดสันนิฐานตนได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็นยิ่งมั่นใจต่อพระพุทธศาสนา แล้วก็ยิ่งพยายามปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่แล้วก็ไม่ถอยหลังให้ทานให้วัต ถ, ถุสิ่งของแล้วยังไม่จูใจให้ปรมาถทานเข้าไปอีก <c oughs> พยายาม สละความโลภความโกรธความหลงออกจา ก, ก จ, จิตใจนั่นแหละเรียกว่าให้ปรมัตาทานเช่นอย่างว่าเขาด่ามาเราก็ไม่ด่าตอบไม่โกรูนี่มันเป็นทานอย่างสูงนเรียกว่าให้ให้ทานให้อภัยเขาไว้ถ้าเราไปด่าตอบเขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันไอเร า, าเป็นทุกข์ไปเดียวสักเขาอย่ากได้เป็นทุกข์ นี่เรียกว่าปรมัตาทฐานนะยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันอย่างนี้เรื่องชั่วใดๆมาถึงเข้าเราไม่ยึดถือเอาไว้ใครจะมาชักชวนไปทำชั่วเราก็ไม่ไปเราสละชีวิตเพื่อความดีสละชีวิตเพื่อพระนิพพาน แล้วสั่งสมบุญกุศลสร้างบารมีเพื่อพานิพานก็ต้องให้กำหนดในใจไว้อย่างนั้นเพราะว่าโลกสันิวตัตอันนี้แม น, นจะไปเกิดที่ไหนมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะอะไรนะเพราะมันไม่เที่ยงแ้่เป็นเทวดาก็เป็นสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ừ, เมื่อหมดบุญแล้วก็หมดชีวิตเท่าๆกันแหละ อย่างนี้แทนที่จะได้สวยสุขอยู่บนสวรรค์นั่นตลอดกาลไปไม่มีทาง <c oughs> แม่จะไปเกิดเป็นพรหมสวยผลแห่งสะฌานสมาบัติอันนั้นไปมันก็หมดเป็นนะอ น, นิสงส์แห่งฌานเนะี่ยเมื่ออ น, นิสงส์แห่งฌานหมดลงเช่นนี้ ชีวิตก็ อ, อยู่ในพรมโลกนั่นไม่ได้ต้องเคลื่อนต้องยุติหาที่เกิดใหม่ชีวิตนี่นะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นเจริพยายามสร้างบุญบา ร, รมีเมื่อบุญบา ร, รมีเต็มบริบูรณ์เมื่อใดกบพ้นจากความเกิดแก่จิบตายเมื่อนั้น ท่านจะ ว, ว่าเข้าสู่นิพพานใครลราเข้าสู่นิพพานนะกระดวงกิตดวงนี้แหละร่างกายไม่ได้เข้าสู่นิพพานเพราะาร่างกายประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุนมธาตุเหล่านี้มีอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นในโลกนี้ดับลงอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นอยู่เงี้ยธาตุอันเนี้ยส่วนดวงกิจนี่นั่นเนี่ย เมื่อยังสร้างบุญกุศลบารมียังไม่เต็มมันก็เที่ยวเล่รล่อนไปหาที่เกิดอยู่ร่ำไปยุงนั้นนี่เกิดอาศัยขันห้านี่มาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตาย <c oughs> ้าเป็นอย่างเนี้ยที่ว่าบุญกุศลตกแต่งให้มีเงินมีทองมากเป็นมหาเศรษฐี นั่นก็มีชื่อดังอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอหมดบุญเก่าแล้วชีวิตนี้ก็แตกดับทำลายไปในประเทศอินเดียเนะี่ยบ้านอนาณาถาบินดิกะมหาเศษฐีก็ดีบ้านนางวิสาขาก็ดีซึ่งก่อด้วยอิดด้วยปูนเดี๋ยวนี้มันก็พังยุบลง เป็นคล้ายๆ ก, กันกับจอมปลวกนี่แหละอยู่อย่างนั้นแหละแล้วรวัฐบาลอินเดียเขาก็ไม่ทำลายเอาไว้เป็นอนุสรณ์ให้คนระลึกถึงอยู่งั้นคนนี่ไปดูไปชมชาวพุทธทั้งหลายเนะี่ยหรือว่าให้ไ ป, ปรงธรรมสังเวสสำหรับผู้มีปัญญานะเนี่ยเห็นขึ้นโอ้ ผู้ที่ทันมือมีชื่อเสียงอยู่ในตำราดทรานี่ได้สร้างตึกสร้างลามใหญ่โทมโหรานเพราะว่าอิฐปูนพังแล้วก็มากองอยู่เท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งนู่นอย่างนี้เนี่ยทุกเจ้าของกันนี้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าไปแล้วท่านทำบุญนี้เอง นี่นะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เมื่อใจทำใจสงบภาวนาทำใจสงบเราพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่นะเพื่อให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา คันถ้ามันเมื่อหน่ายด้วยปัญญาอย่างนี้มันไม่ได้ไปฆ่าตัวตายนะไม่ได้ละทมทุกข์เหมือนอย่างบุคคลผิดหวังอะไรต่ออะไรในโลกนี้แล้วตรมตรอมใจเบื่อหน่ายต่อชีวิตคิดฆ่าตัวตายหรือไม่ฉช่นั้นก็กินไม่ได้นอนไม่หลับชุบผอมลงไปอายุไม่ยืนยาวนานไม่ใช่เบื่อแบบนั้น เบื่อแบบภาวนาเนี่ยเบื่อด้วยอานาจแห่งปัญญานี่เมื่อเบื่อนายแล้วก็คลายความยึดความถือว่าเป็นตัวเป็นตนเสียทำจิตให้เป็นอุเบกขาลงไปอย่าไปยินดีกับขันห้าเวลาขันห้านี่มันมีกำลังกับปริกระเป่าดีแข็งแรงดีอย่างนี้ก็อย่าไปยินดีอย่าเพลิดเพลินกับมัน แล้วก็อย่าไปเสียใจ <c oughs> อย่าไปยินร้ายในเวลาขันห้านี่มันวิบัติแปลปรูนไปรักษาจิตสอนจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นให้รู้เท่าความแปลปรนของขันห้านี่ให้รู้แจ้งว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวังใช้ปัญญาสอนจิตไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจิตนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโศกกับขันห้านี้แล้วขันหน้าแปรปวนไปมันก็สุดท้ายมันก็แตกดับทําลายลงเท่านั้นแหละจิตก็ตั้งเป็นกลางอยู่นี่เป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวิตาสงสารดังแสดงมา